บุกทูหกสิบสามเซสเด็กทรีการตั้งคำถามสองสตอรีกิเดมันด์ดยนดูดิฉันมีงานอดิเรกมีฮาบัสชาร์ทอาคูปอดิฉันเล่นเทนนิส น ส, ส, สนามเทนนิสอยู่ที่ไหนคะคุณมีงานอดิเรกไหมชูวิฮาวส์ฉันออกุบดิฉันเล่นฟุตบอลมีฟุตบอลาสสนามฟุตบอลอยู่ที่ไหนคะคนต ดิฉันเจ็บแขนมี a บรากโกโดโลริกัสดิฉันเจ็บเท้าและมือด้วยอัง a ข m มี p i พี o k โดคายมี n o ม o l นโดโลริกัสมีคุณหมออยู่ไหมคะคีย์เอสตาสค c รัตซิสโตดิฉันมีรถมีฮาวสอัตตัน ดิฉันมีจั ก, กรยานยนต์ด้วยมีหา้าสอังเกลอรถสกู๊อดิฉันจะจอดรถได้ที่ไหนคะที่ยัอสปร์เกยวดิฉันมีเสื้อสเวตเตอร์มีหา้าสพ์พลเวรนดิฉันมีเสื้อแจ็คเก็ตและกางเกงยีนด้วย เครื่องซักผ้าอยู่ที่ไหนคะที่ย s t เอสตัสละลัฟมาชีนดิฉันมีจานมีฮาบสเตเลรอนดิฉันมีมีดซ่อมและช้อนมี h a v a สทรันชีเลนฟอร์กอนไคคูเลรอนเกลือและพริกไทยอยู่ไหนคะ ที่ t ยู่ตั้งแต่สละสลวยไที่